สุร MM. ิตาเยนะโสโรเกอาคาปุขระตังขโตก็ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็ตลอดถึงพระธรรมและภาริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายบารมีสิบประการนะที่มีอคละเป็นที่สุด ที่ประดับไปด้วยอัคคระห้สหอักคละท่านผู้ใดบำเพเ็ญเต็มที่แล้วท่านผู้นั้นย่อมถึงความเป็นบุคคลผู้เลิศในโลกในบารมีสิประการ น, นั้นน่ยก็คือทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยาบารมีขันติบารมีสัจจาบารมีอธิฐานบารมี เมตตาบารมี i, แล้วก็อุเบกขาบารมีในบา ร, รมีทั้ง10ประการนั้นนะนะที่ท่านผสมอักษรเข้าไว้ที่ท่านใช้คําว่าปารมีมีอยู่ห้าอักขระถ้าสีวะปารมีหรือศีรปารมีก็มีอยู่ห้าเนี่ยนะเป็นต้นเป็นไปตามลําดับสรุปเบสเสร็จก็คือนั่นแหละในบา ร, รมีทั้งสิประการก็มีห้าสิบห้าตัว อักษรหรืออักขระคำว่าบรารมีต่างๆนะที่เราท่านทั้งหลายจะศึกษากันในการศึกษาบรารมีของพระบรมศา ส, สดาที่ทรงบ่มเพญมาในบรารมีทั้ง55อักษรตามจำนวนที่ท่านกล่าวไว้ไม่ผิดเลย น, ะนั้นนะ่หมายถึงคุณสมบัติก็คือบรารมีทั้งสิบประการเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ทาให้ผู้บมเพญเป็นบุคคลผู้เลิศเป็นบุคคลผู้เป็น ผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกดังเช่นพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงบำเพ็ญเต็มที่แล้วจึงทรงเป็นพระบรมศาสดาเรื่องเกี่ยวกับบา ร, รมีนั้นนะนะเราท่านทั้งหลายที่จะศึกษาบา ร, รมีนั้นคนี่ยคว่าบา ร, รมีมาจากคำบาลีว่าปารมีซึ่งแปลตามที่ท่านกล่าวกันตามลำบับบอกว่าคุณสมบัติอันทาใหถึงฝั่งคือพะณิพานบ้างคุณสมบัติที่เต็มบ้าง นั้นแนวทางแห่งการศึกษาคำว่าบารมีเนี่ยถ้าเราศึกษาในคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยนะพระผู้มีภาคเจ้าก็กล่าวในเรื่องของบารมีเขาไว้ในคัมภีร์จริยาปีดกเป็นต้นแล้วเนี่ยนะหรือในคัมภีรพุทธวง์ถ้าเราแปลตามแนวทางแห่งศัพท์หรือภาษาแล้วท่านจะแปล ก, กันบอกว่าคุณสมบัติที่เป็นเหตุใหถึงบรมธรรม ทีนี้คุณสมบัติที่เป็นเหตุให้ถึงบรมธรรมก็หมายความว่าชีวิตแต่และชีวิตนั้นน่มีจุดสูงสุดอยู่จุดหนึ่งจุดนั้นก็คือประมะประมะก็คือไม่มีอื่นยิ่งกว่าจุดที่เป็นประมะนั้นก็คือพระนิพพานตามพุทธภาษิต ท, ที่ภาษิตไว้ในวันจตุรงกสนิบา ท, ที่บอกว่านิพพานังปรมัง ว่าทันติพุท ธ, ธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมเป็นปรมานั่นเองฉะนั้นการที่บุคคลจะดาเนินชีวิตไปถึงจุดสุดยอดของชีวิตได้นั้นจะต้องสำเร็จพื้นฐานในตนให้เหมาะสมที่จะรองรับบรมธรรมได้พื้นฐานในกรณีที่จะเป็นเครื่องรองรับบรมธรรมเป็นต้นนั้นก็ได้แก่อัจฉายะอัจฉายะที่แปลว่าอัธยาศัย หรือที่อาศัยเนี่ยนยีอัธยาศัยที่จะรองรับบรมธรรมตามที่ได้ปรากฏไว้นั้นเขาเรียกว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์นั้นมีอยู่6ประการเห็นไหมอโลภัธยาศัยก็คืออัธยาศัยที่ไม่โลภไม่ติดข้องในกิเลสกรรมและวัตถุกรรมประการที่สองก็คืออโทสัจชาสยะอัธยาศัยที่ไม่โกรธ ไม่โกรธนั้นรวมไปถึงความไม่หงุดหงิดไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคาญใจเยอะแยะหมดเนี่ยนะประการที่สาอโมหัตชาสยะอธัธยาศัยที่ไม่หลงก็คือสภาพปัญญาที่ถึงขั้นในการพัฒนาเนเป็นไปตามลำดับเริ่มตั้งแต่กรรมสกตาปัญญาเป็นต้นไปจนถึงนูะมรคปัญญาผลปัญญาปัจเจกขณะ ป, ป, ปัญญาเป็นต้นเป็นที่สุดเน่ฆมัชาสยะก็คืออธัธยาศัยที่ปลีกตนออกจาก กรมออกจากกิเลสกรรมและวัตถุกรรมดังกล่นิสระนัดชาสยะอธัธยาศัยที่สลัดออกประการที่6ก็คือปะวิเวกัดชาสยะอธัธยาศัยที่สงบเงียบนี่นะทีนี้ในด้านของสรรภาพบารมีทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายจะศึกษาเราก็จะต้องรู้จักลักษณะของบารมีให้ชัด ถ้าหากเราไม่รู้จักลักษณะของบา ร, รมีให้ชัดแล้วเนี่ยเราจับบำเพ็ญบา ร, รมีได้อย่างไรในลักษณะของสัพพบา ร, รมีทั้ง10ประการอุปบา ร, รมี1ิบแล้วก็ปรมัทธบา ร, รมีส0โดยรวมนั้นนะ่ะมาจากคำว่าปรมาปรานุคะหะรักษณามีการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะ ทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขม๊าปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาแล้วก็อุเบกขาทุกบา ร, รมีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญนั้นบำเพ็ญเพื่ออนุเคราะห์บุคคลอื่นเป็นลักษณะการที่พระโพธิสัตว์ได้ตั้งอัธยาศัยในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องการจะบ่มเพราะบา ร, รมีธรรมนั้นพระโพธิสัตว์นั้นมีอัธยาศัยในการจะบำเพ็ญพุทธกา ร, รกธรรม ทีนี้การจะบำเพ็ญพุทธการกรธรรมนั้นตั้งแต่ทานบา ร, รมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบา ร, รมีเป็นที่สุดนั้นทุกบา ร, รมีนั้นเป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์เป็นไปเพื่อการช่วยเหลือเพื่อจะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรทั้งสิ้นปเปเรสังอุปการะนะการณ์รสาามีการทําอุปการะผู้อื่นเป็นจิตอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะแปลว่าจิตเนี่ยคิด คิดในการที่ประมวลความรู้สึกที่มีความปรารถนาในการที่จะอนุเคราะห์บุคคลอื่นหน้าที่กิจคือการงานที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาและทางใจของบุคคลที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็คือว่ามีอันอุปการละผู้อื่นอุปการละทางกายอุปการละทางวาจาอุปการละทางระดมสัพพะกำลังที่เกี่ยวกับด้านของความคิดความรู้ความสามารถ ของตนเองทุกอย่างทุกภพทุกชาติในการที่จะช่วยสัตว์นั้นให้พ้นจากความทุกข์ยากต่งตางๆอวิกรรมปัญรส า, าวะหรือมีความไม่หวั่นไหวเป็นกิจก็ได้ถามว่าในขณะที่ปรารถนาจะช่วยเหลือบุคคลอื่นนั้นน่ในขณะเดียวกันจิตใจก็จะต้องตั้งมั่นและมั่นคงด้วยเพราะอุปสรรคนานาประการที่ บุคคลที่บวมเป็นบา ร, รมีทั้งหลายจะต้องประสบและพบเจอนั้นมากจริงๆแม้กําลังจะไปอุปการะไปช่วยบุคคลอื่นบุคคลที่ตนเองเข้าไปอุปการะก็บัตถสลายกันก็พร้อมที่จะทนพร้อมที่จะอดทนเพราะว่าในกรณีที่ไปช่วยเหลือเพื่อต้องการอนุกูลอนุเคราะห์บุคคลเหล่านั้นแต่บุคคลเหล่านั้นก็ไม่เห็นคุณงองพระโพธิสัตว์ เหมือนเราท่านทั้งหลายที่ร่วงการผ่านการในสังสารวัตมาอย่างยาวไกลเนี่ยโทษจากการที่เราท่านทั้งหลายไม่เห็นคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เห็นโทษของสังสารวัตดังกล่าวในที่สุดจริงๆเราท่านทั้งหลายที่ผ่านมาบางพบบางชาติเราก็มาโทษสลายท่านผู้มีคุณนี่คือโทษของการไม่รู้โทษของการไม่รู้ว่าใครคือผู้อะไรคือคุณ อะไรคือผู้มีคุณแล้วก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครใครคือเป็นพระพุทธเจ้านคุณเป็นพุทธเจ้าหรืออะไรกันแน่เป็นพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเรายังไม่ได้ชัดเจนในกรณีของการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ละเอียดลึกซึ้งหิเตหิตาปจุปถานามีการแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเป็นผลปรากฏหรือ พัทตะปัจุบถานามีความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผลการแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเป็นผลปรากฏหรือมีความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผลถามบอกว่าถ้าปรารถนาในการที่จะเป็นพระพุทธจะต้องการที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อคนสัตว์หรือสัตว์เพื่อให้ถึงบรมธรรมเนี่ยจุดเป้าหมายสูงสุดคือต้องเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระปฏิเจพทเจ้าก็ไม่ได้เป็นพระคราสาวกเบื้องซ้ายขวาเป็นพระทหารธรรมดาก็ไม่ได้ เกื้อกูลสัตว์โลกไม่ได้ที่เกื้อกูลสัตว์โลกไม่ได้เพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อจะเกื้อกูลเพื่อจะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากเบือกตมที่นี้ในคําสอนเนี่ยนยีซึ่งก็ที่ท่านบอกมหากรุณาประทานามีมหากรุณาที่คุณเป็นเหตุใกล้หรือมีความฉลาดในอุบายแห่งกรุณาเป็นเหตุใกล้ก็ได้ท่านจึงใช้คําว่ามหากรุณาประทันฐาน า, ากรุณ การุณูปายโกสละปาทฐานาวามีสองลักษณะบอกว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีพระมหากรุณาเป็นเหตุใกล้หรือมีความฉลาดในอุบายกรุณาเป็นเหตุใกล้สรุปแล้วคือสองกรณีทั้งปัญญาทั้งกรุณานั้นต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้ากรุยากรุณาน้อยปัญญาก็จะน้อมในการที่จะตัดกิเลสเป็นสมุทเธได้าบัหารวิญสตใช่ ถ้าการุณามากก็ไม่ได้เป็นผู้ได้ย้าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยฉะนั้นความสมบูรณ์ของกรุณากับปัญญาต้องต้องมีความเกื้อกูลกันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ฉะนั้นคําว่าบา ร, รมีทั้งปวงมีทานบา ร, รมีศีลเนกขม้าปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและอเวขาบัณฑิตพึงก่าวปกินนาการาถาในบา ร, รมีทั้งปวงเพื่ออะไรเพื่อความเป็นผู้ฉลาดหลายประการในโพธิสมภารของกุลบุตร ผู้ตั้งอยู่ในฐานะนั้นจะได้อุตสาหะในการปฏิบัติไปสู่มหาโพธิญาณ น, นั้นบรารมีทั้งหลายคืออะไรดังกล่าวก็คือคุณธรรมมีฐานบา ร, รมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบา ร, รมีเป็นที่สุดนั่นแหละนั่นแหละคือบา ร, รมีที่พระมหาสัตว์ค้นคว้าด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา บารมีทุกข้อที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาที่เป็นพระหมหาโพธิสัตว์เนี่ยนะในขณะที่บำเพ็ญทานบารมีศีลเนขธรมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาแล้วเบคาเนี่ยตัณหาคือความยินดีติดใจมานะคือเยอะยิงหรือตัวทิฏฐิคือความเห็นผิดเนี่ยจไม่เข้าไปทำลายแล้วด้วยถ้าให้ทานด้วยตัณหามนานะทิฏฐิบำเพญ็ญศีลด้วยตัณหามานาทิฏฐิจนถึง บำเพ็ญปัญญาอุเบกขาบารมีด้วยตัณหามานาทิฐิก็ไม่เรียกว่าบารมีฉะนั้นท่านจะต้องคอยระมัดระวังตลอดเวลาที่จะไม่ให้ตัณหามานาทิฐิเข้าไปกล้ำกลายอัธยาสัยของท่านให้สังเกตดูบอกว่าบารมีเนี่ยคำว่าปารมีเนี่ยแก่ปรังใช่ไหมไมจากคำว่าปารังก็คือนิพพานนั่นเองเป็นบทหน้า มัคคีาก็ลงใ น, ในความไปลงนีปัจจัยก็ลบเลยลบที่สุดของธาตุก็เป็นปรามีก็แปลวคุณธรรมคุณธรรมที่มีทานศีลเนคขมาปัญญาวิริยคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและอุเบกขาไปให้ถึงฝั่งคือพระนิพพาน น, นั่นเองเขาถึงบอกคุณธรรมมีทานเป็นต้นเพื่อจะให้ถึงฝั่งบรมธรรมบรมธรรมในที่นั้นก็คือฝั่งก็คือพระนิพพานนี่เนี่ย ถออทำมาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นอะไรจะเห็นบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ที่ท่านบาเพ็ญมาอย่างยาวไกลเนี่ยเพื่อจะเป็นพื้นฐานนะพื้นฐานในตนสำหรับที่จะรองรับปรมาธรรมแม้นยังบกพ่องอยู่ก็ไม่มีทางที่จะบรรลุบรมธรรมได้ทานบกพ่องก็บรรลุไม่ได้ศีลบกพ่องก็บรรลุไม่ได้ เนคขม่าปัญญาวิริยะคันติสัจจะเป็นต้นเนี่ยแต่ระบรารมีนั้นถ้าหากบกพร่องแล้วเนี่ยจะเป็นพุทธเจ้าก็คือบรรลุบรมธรรมระดับเป็นพระเจ้าไม่ได้ดังนั้นท่านผู้มุ่งต่อบรมธรรมนะบรมธรรมมันหลายบรมธรรมใช่ไหมบรมธรรมสูงสุดก็คือของพทธเจ้าลองมาพระประย์พุทธเจ้าแล้วก็อักรสาวโกกว่าไปถ้าผู้ที่มุ่งตรงต่อ บ, บรมธรรมก็คือพระนิพพานจําต้องสร้างอัธยาศัยของตนตามแนวนี้ ได้แก่บาเพ็ญบารมีสิบดังกล่าวมีทานบารมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดแล้วก็อุปปาบา ร, ร, รมี10ปรมัตถบารมีสิบใช่เขาเรียกว่าบารมี30ทัศษ์นี่แหละเพื่อจะสร้างอะไรเพื่อจะสร้างอัธยาศัยทั้ง6อัธยาศัยทั้ง6ให้เกิดขึ้นในไหนให้เกิดขึ้นในตนฉะนั้นบารมีทั้ง10ประการนั้นจะช่วยสร้างเสริมอัธยาศัย6ประการก็คืออะไร ทานบารมีสร้างอโลพัต ช, ชาสยะสร้างอัธยาศัยที่ไม่โลกศีลละบารมีก็สร้างอัธยาศัยที่ไม่โกรธรวมขันติบารมีเมตตาบารมีด้วยเห็นไหมว่าในศีลละบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีทั้งสามบรมาบรมีเนี่ยสร้างอัธยาศัยที่ไม่โกรธไม่โกรธ เราก็มาพิจารณาดูเราท่านทั้งหลายใช่ไหมตอนนี้เรายังโลภอยู่ไหมถ้ายังโลภอยู่แสดงว่าทานบารมีนะไม่มีผลสำหรับเรานะไม่ต้องไปห่วงว่าโพธิสัตว์แล้วท่านดรุไปแล้วพุทธเจ้านี่นะแต่เรานี่แหละอัธยาศัยที่ยังติดข้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วทำมาลมด้เดินาคของกิเลสกามมาติดข้องในวัตถุกรรมทั้งหลายเนะี่ยเพราะอะไรเพราะทานบารมีไม่แข็งแรง เราไม่เข้าใจคำว่าอโลพาทานไงไม่เข้าใจคำว่าเจตนาทานเมื่อไม่เข้าใจคำว่าอาโลพท า, านเนี่ยสภาพของอะโลภาคือความไม่โลภไม่ยึดติดทั้งภายในและภายนอกคนที่มีอโลพาทานแข็งแรงเนี่ยอย่าว่าแต่การไปยึดติดในวัตถุสิ่งของภายนอกเลย แม้แต่การภายในเนี่ยยึดติดหมดเลยในตาหูจมูกเล่นกายใจยตัวเองเนี่ยถ้าบอกเอาไว้ว่าในร่างกายเนี่ยมีคนจะมาขอสักนิดมีหมูไม่ได้เลยใจแดืขาดนั่นคืออโรภะไม่ทำงานถ้าสภาพอโรภะทำงานเนี่ยจิตที่คิดสละจิตที่คิดจะให้มันจะตัดขาดจะตัดความเยื่อใยในวัตถุสิ่งของเป็นต้นได้ นั้นดีรายละเอียดก็ไปดูนะแต่สรุปตรงนี้ก็คือว่าได้ทางด้านของคําว่าทานบา ร, รมีสร้างอารภัฒ ช, ชายะคืออัยารัยที่ไม่โลภศีลบรรมมาบ ร, รมีเนคขมาบารมีขออภัยคันติบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีเนี่ยสร้างอัยารัยที่ไม่โกรธเราท่านทั้งหลายก็มาดูศีลบา ร, รมีแข็งแรงไหมขันติบา ร, รมีแล้วก็เมตตาบา ร, รมี ถ้าไม่แข็งแรงดูไม่ยากดูจากอัยารัยที่เป็นคนมักโกรธผูกโกรธงดหงิดพุ่งสร้างอยู่วันๆเนี่ยเนี่ยอันนั้นบ่งบอกถึงว่าบรารมีสามบารมีนี้ไม่แข็งแรงไม่ประชมในใจเลยไม่สามารถขจัดความกโกรธความหงุดหงิดความพุ่งสร้างความลําคาญใจพยาบาททั้งหลายใช่ไหมกลุ่มพยาบาทนิวร์ทั้งหลายเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี้ยหงุดหงิดทุกเรื่อง แม่เรื่องเล็กๆแม่เรื่องใหญ่อันนั้นบ่งบอกถึงว่าอัจฉริยะใสของบารมีเหล่านี้ไม่ไประชุมในใจท่านทั้งหลายเลยปัญญาบารมีสร้างอัจฉริยะใสให้สร้าง อ, อโมหัชาสยะคือค อ, อัจฉริยาศัยที่ไม่หลงฉะนั้นบุคคลที่ลุ่มหลงเหตุที่ลุ่มหลงนั้นเพราะไม่มีปัญญาในการที่จะไปพิจารณ า, าคร้ครัวแล้วก็แทงตลอดทะลุทะลวงได้ใช่ไหม ไม่สามารถวิจัยได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะตามสภาพตามความเป็นจริงที่เขาสมมติกันเป็นยังไงที่ตามความเป็นจริงโดยสภาวะนั้นเป็นอย่างไรก็เลยไปยึดติดทั้งบัญญัติทั้งสภาวะบรมัตีเพราะไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่าโดยสมูธฐานของบัญญัติแค่นี้และสภาพที่เป็นจริงเป็นอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้ผ่านการในกรณีาการมาวิจัยเลยซึ่งผิดกระายตาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ท่านเกี่ยวข้องกับวัตถุชิ้นใดท่านวิจัยหมดเลยท่านสามารถวิจัยทั้งระบบหยาบระบบละเอียดท่านใช้ปัญญาเข้าไปทะลุทะลวงได้หมดอย่างเราท่านทั้งหลายบางทีปัญญาของเรามีขอบเขตจำกัดใช่ไหมเวลาจะไปคิดเรื่องอะไรมันก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเราไม่เห็นคุณของพระบรมศ า, า, ศาสด า, ามาอยู่ที่วัดมาคุยกับพระเมื่อสักครู่ก็ไปดูภาพ ที่ก็จะมีทศการที่ยมจัดทำกันก็ว่าถามบอกว่าเรามองภาพเนี่ยซึ่งเป็นสื่อบ่งบอกใช่ไหมอาศัยจากขุทวาลวิถีจิตที่ผ่านทางจากขุทวาลลงสู่มโนทวานแล้วเราเห็นอะไรเราเห็นแค่ภาพหรือเจาะทะลุทะลวงไปเห็นคุณของพระบรมสารสดาถ้าเห็นแค่ภาพนั้นปัญญาไม่ทำงานนี่ แต่ถ้าสามารถเจาะทะลุทะลวงจากภาพไปสู่อัตตะสู่เนื้อความสู่เรื่องราวต่างๆเด่นชัดในใจได้อันนั้นมาบง่งบอกถึงอะไรปัญญานั้นทะลุทะลวงได้จริงๆหรือฟังเสียงด้วยโสตทวในโสตะทวารวิถีเนี่ยทำงานกิจใช่ไหมก็ลงสุ่มโนโทวารทันทีเร็วมากได้แค่เสียงใช่ไหมถ้าได้แค่เสียงเนี่ยผ่านไม่ได้ ไม่เห็นคุณของพระบรมศาสดาเมื่อไม่เห็นคุณของพระบรมศาสดาปัญญามันก็เตะหยุดขึ้นเสียงเนไม่สามารถที่จะเจาะทะลุทะลวงไปเห็นภาพเห็นเรื่องราวเห็นเหตุหการณ์เข้าใจอัถะเนื้อความต่างๆเป็นต้นเหล่นี้ได้อันนั้นแปลว่าปัญญาไม่ทํากิจเมื่อปัญญาไม่ทํากิจจะสร้างอมโมหัชาสยะได้อย่างไรความไม่ร่วมหลงมันต้องเกิดขึ้นจากปัญญาที่ไปเจาะไปแทงไปทะลุทะลวงเห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นได้ วันก่อนมามาก็ดูภาพตอนที่พระบรมศาสดาไปเยี่ยมพระปุติคตะที่ท่านป่วยนะพระองค์ก็อุ้มพระที่เป็นโลกเรื้อนะมีหนองฝีหนองขึ้นเต็มตัวซึ่งไม่มีคนดูแลท่านท่านนั่งที่อาสนะพระปูอาสนะถวายท่านก็อุ้ ม, มไว้บนตัก ท่านก็มองได้มหากรุณาแล้ท่านก็เช็ดเช็ดน้ำเหลืองเช็ดแผลดูแลเช็ดตามตัวลงไปตามลำดับมีผ้าปิดอยู่นี่ถ้านเราดูอย่างนี้เราเราเห็นอะไรแล้วก็เห็นโอ้พระบรมศาสดามีาพระมาหากรุณาต่อ พ, พ, นะพระพูตรีกรดาเนะอัลลาห์้าทั่วโลก นั้นน่ยต้องมองให้เห็นว่าพระบรมศาสดานั้นมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระทั่วสังคมุนกทั่วโลกสาวกของท่านน่ยที่ท่านผลิตมาเนี่ยนะที่เกิดแต่พระโอ์ที่เกิดแต่อกเกิดแต่อุระที่พระธรรมเนรมิตขึ้นพระวจนะของพระบรมศาสดาเนี่ยนะ วจนะของพระบรมศาสดาพระสุรเสียงของพระบรมศาสดาสัพพัญยุตยานของพระบรมศาสดากับพระสัตยธรรมใช่ไหมเวลาผสมกันแล้วเนี่ยเข้ามาผสมกันแล้วไปเสร็จเนี่ยจเนรมิตจเนรมิตสาวกฉะนั้นถามว่าพระบรมศาสดามีพระมหากรุณาธิคุณต่อสาวกทั้งหมดทั้งหมด แล้วพระองค์ดูแลอย่างนั้นจริงๆไหมดูแลทุกวันเนี่ยพระบรมศาสดาดูแลพระอยู่ไหมดูถามบอกว่าอามาเนี่ยมาที่เนี่พระศาสดาก็ดูแลอามาเนี่ยอาหารไปบินดาบาด ท, ที่คนใส่นั่นแหละพระบรมศาสดาดูแลยามามาป่วยอามาก็มียารักษา นั่นลหละคือพระบรมศาสดาทรงอนุญาตดูแลฉะนั้นในด้านของอามิสเนี่ยพระองค์ดูแลอย่างดีแต่พระองค์ก็สมทัพ บ, บอกว่าดูกภิกษูทั้งหลายแต่ทาคตไม่สรรเสริญอามิสธายาทแต่สรรเสริญธรรมทายาทอามิสเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเกื้อกูลเนะ เพื่อจะเป็นปราโตโคสะปัจใจแกเธอเพื่อจะยังสิกขาสามประชมในใจเธอให้ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยดูแลทั้งด้านอามิททั้งด้านพระธรรมท ำ, ทำต้องการให้แม้ในทุกวันนี้พระองค์ก็ดูแลอยู่ถ้าถามบอกว่าถ้าสถานภาพก็มาเป็นเหมือนโยมเนี่ยไปที่ไหนโยมจะดูแลั้มจะไม่ดูแลเลย ฉนันที่ยอมดูแลนั้นเพราะว่าพระบรมศาสดาทิฏฐาอามานี่นะมองผ่านยอมเห็นคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้แปลว่าปัญญาไม่เกิดปัญญาไม่เกิดมองเห็นอาหารไม่เห็นว่าพระบรมศาสดากาลังเกื้อกูลเรามองผ่านจีวรไม่เห็นพระบรมศาสดาเกื้อกูลเรามองผ่านเสนาสนะไม่เห็นพระบรมศาสดาเกื้อกูลเรามองผ่านยุกยาเภสัชทั้งหลาย ไม่เห็นว่าพระบรมศาสดาเกื้อกูลตนเองแล้วเนี่ยหมายถึงปัญญาไม่เกือ้อนี่ไงว่าปัญญาไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงไปเห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดาที่ทรงแร่ขายพายานเนี่ยวันละ12บสองแสนโกรธมหาวชิรญาณอีก12บสอแสนโกรธรวมเบ็ดเสร็จก็คือ24สแสนโกรธก็คือสองล้านสี่แสนโกรธสมาบัต ที่พระบรมศาสดาต้องตรวจสอบเฝ้าดูแล้วดูเล่าในสาวกของพระองค์หรือบุคคลที่จะเป็นสาวกถามบอกว่าทำไมพระบรมศาสดาต้องเพียรพยายามขนาดนั้นเพราะพระองค์ตั้งอัธยาศัยต้องการจะถึงบรมธรรมเพื่อขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรฉะนั้นปัญญาบา ร, รมีสร้างอมโมหัชยะเนกขมมะบา ร, รมีก็สร้างเนกขมาัชายะ ก อ, อธยาสายในการที่เห็นโทษในกามกคุณกามภูมิเห็นโทษของกามทั้งหลายวิริยะบารมีก็สร้างนิสตระนัชาสยะอธิยาศัยในการที่จะออกจาพภพสัจจาบารมีก็สร้างนิสตระนัชาสยะนะแม้อธิฐานบารมีก็สร้างนิสตรณนัชาสยะสันุเบขาบารมีก็สร้างปริเวกัตชาสยะอธิยาศัยที่สงบ น้อมเข้าหาความสงบน้อมเข้าหาความสงบนิสรณัชาสยะก็อัจฉริยะใสออกใช่ไหมเนคขมัชชาสยะก็คือปีกตนออกจากกรรมอโมห์ชาสยะคืออัจฉริยะใสที่ไม่หลงฉะนั้นในบรรดาบา ร, รมีธรรมต่างๆเหล่านี้นะทานบา ร, รมีสร้างอารมพัฒ ช, ชาสยาสินบา ร, รมีขันติเมตตาก็อโทสัจชาสยะปัญญาบา ร, รมีก็อมโมหัชาสยะคือไม่หลงเนคขมัชก็สร้างเนคขมัชชาสยะ วิริยะก็สร้างนิสรณัชาสยะสัจจะอธิฐานะก็สร้างนิสรณัชายะส่วนอุเบขาบารมีก็สร้างตะวิเวกัตชาสยะคืออัธยาศัยที่สงบเงียบการบำเพ็ญบรมีนั้นเป็นการสร้างอัธยาศัยอันจะเป็นพื้นฐานให้บรรลุบรมธรรมฉะนั้นบรมีหรือปรรมีจึงแปลว่าเป็นคุณสมบัติที่ทำให้บรรลุปรมะหรือบรมธรรมทีนี้ บรมธรรมก็คือจุดสูงสุดหรือจุดสุดยอดของชีวิตเนะี่ยจุดสุดยอดของชีวิตก็คือไม่มีจุดไหนยิ่งกว่าไปจุดนี้แล้วคือไม่มีจุดอะไรที่จะไปเสดกว่าพันิพาณเพราะพันิพาณนี่เป็นบรมธรรมและผู้ที่จะบรรลุบรมธรรมได้ต้องบำเพ็ญบารมีสิบไม่บำเพ็ญก็ไม่มีทางที่จะบรรลุบรมธรรมเป็นต้นได้ ฉะนั้นในบารมีทั้งสิบประการดังที่ได้กล่าวเนี่ยนะเมื่อบำเพ็ญเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายกำลังจะศึกษากันเนี่ยนะ<ๆ>ก็คือเราต้องการที่จะศึกษาค้นคว้า<ๆ>เพื่อต้องการจะรู้ว่าพระบรมศาสดาเนี่ยนะท่าบ่มเพาะบารมีธรรมต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยเหตุ<ๆ>ผลก็คือว่าพระพุทธเจ้านี่นะทรงบ่มเพาะบารมี ที่ท่านใช้คําว่าสามสิบทุ่นน่ยบารมีต่างๆเหล่านี้นะี่นะตรงนี้ท่านกล่าวในความหมายแห่งการที่จะบําเพ็ญบารมีที่ท่านใช้คำว่าทำก็คือว่าทำที่จะบ่มบารมีบารมีเหล่านี้นะเวลาเราสวดกันใช้คําปูเรตาวาทรงบําเพ็ญบารมีบริบูรณ์แล้วทรงให้สําเร็จเป็นไปอย่างไม่บกพร่อง บารมีโยบรารมีก็วิเคราะห์ที่ท่านกล่าวไว้บกว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมไปย่อมดำเนินไปสู่ฝั่งบรมธรรมกล่าวคือพระนิพพานด้วยปฏิปทาเหล่านี้เหตุนั้นปฏิปทาเหล่านี้จึงชื่อว่าบรารมีติทัานาก็คือส0ิบทุ่นน่ตโยทศัศนอันนั้นเป็นทิคุทิคุสมาดก็คือท่านอธิบายว่าบรารมีสาสิบทัศนี่นะอนุปเปอันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้เนี่ย ล่วงพ้นข้ออุปมาเว้นจากข้ออุปมาเพราะอะไรไม่มีบุคคลอื่นที่จะเป็นเช่นนี้ถามบอกว่ามีใครเนะ้ะที่จะบาเพ็ญบารมีได้อย่างพระบรมศาสดาเมื่อสักครู่เราไปดูที่ก็จัดที่ท่านจัดมีท่าการกันให้ดูใช่ไหมยังดดให้เสือกินโดดให้เสือกิ น, ดดกนตัดศรีรษะให้เป็นทานเนี่ยถามบอกว่าเราจะเปรียบยังไง เปรียบคนที่คิดแม้ตัดศีรษะให้เป็นทานได้ควักหัวใจให้เป็นทานเป็นต้นได้ไม่เสียดายชีวิตเลยนั้นต่างๆเหล่านี้คันถึงบอกว่าอันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้ใครศึกษาบารมีธรรมของพระบรมศาสดาเนี่ยเขาอ่อนหมดให้ศึกษาดิคิดยังแทบไม่กล้าคิดเลย